อันผู้ใดผู้หนึ่งสัมผัสด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดายสายหนึ่งที่ไหลไปสู่สมุดย่อมปรากฏภายในจิตของผู้นั้น 564-570 ยหถึงาร้ออันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสังเวทใหญ่เพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่อทำเป็นแดนกเกษมจากโยคะใหญ่เพื่อสติสัมปชัญญะ เพื่อได้ยานทัศนะเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลแห่งวิชาและวิมุตติทำอันเป็นเอกคืออะไรคือกายขตาสติทำอันเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสังเวทใหญ่เพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่อทำเป็นแดนกเกษมจากโยคะใหญ่เพื่อสติสัมปชัญญะ เพื่อได้ฌานทัศนะเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลแห่งวิชาและวิมุตติหเมื่อทาอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทาให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกและวิจารณก็สงบธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญเต็มที่ ทำอันเป็นเอกคืออะไรคือกายขตาสติเมื่อทำอันเป็นเอกน้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกและวิจารก็สงบธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญเต็มที่ห72เเมื่อทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้ว อากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดข kind of ึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ทาอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติเมื่อทำอันเป็นเอกนี้แลบุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็จะละได้ห้าสาม เมื่อทมอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภบยโบ์ยิ่งขึ้นทำอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติเมื่อทมอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งขึ้น574เมื่อทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมละอวิชาได้วิชาเกิดขึ้นย่อมละอัศมิมาณะได้อนุสัยย่อมถึงความถอนขึ้นย่อมละสังโยชตได้ทำอันเป็นเอกคืออะไรคือกายขตาสติ เมื่อทำอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมละอวิชาได้วิชาเกิดขึ้นย่อมละอสมิมาณะได้อนุสัยถึงความถอนขึ้นย่อมละสังโยตได้ 575-576 าถึงอทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญา เพื่ออนุปาทาปรินิพพานทาอันเป็นเอกคืออะไรคือกายขตาสติทาอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน5 7 7ร้อเถึงเมื่อทาอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้ว ย่อมมีความเข้าใจแจมแจ้งาธาตุหลายชนิดมีความเข้าใจแจมแจ้งาธาตุที่แตกต่างกันมีความแตกฉานในาธาตุทั้งหลายทาอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติเมื่อทาอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทําให้มากแล้วย่อมมีความแจมแจ้งาธาตุหลายชนิด มีความเข้าใจแจ่มแจ้งทาตที่แตกต่างกันมีความแตกฉานในาธาตุหลายชนิดห8 0 5้ถึงาสาทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลสกธาคามิผลอาณาคามิผลและอรหัตตะพนทำอันเป็นเอกคืออะไร คือกายขตาสติทำอันเป็นเอกนิแลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผล5 8 4ร้อยแถึงารอทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา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 ที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาเพื่อได้ความเจริญแห่งปัญญาเพื่อได้ความไพ่บู์แห่งปัญญาเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนาเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพยบู์เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลุ่มลึกเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่ง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 กายขตาสติวักที่19จบยีอมตะวักหมวดว่าด้วยอมตะธรรมหกร้อยชนเหล่าใดไม่เจริญกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่บรรลุอมตะธรรมชนเหล่าใดเจริญกายคตาสติ ช น, นนชนเหล่านั้นชื่อว่าบรรลุอมตะธรรมหกร้อยเอ็ดชนเหล่าใดไม่ได้เจริญกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้บรรลุอมตะธรรมชนเหล่าใดได้เจริญกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าได้บรรลุอมตะธรรมหกร้อยสองชนเหล่าใดมีกายคตาสติเสื่อมชนเหล่านั้นชื่อว่ามีอมตะธรรมเสื่อม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 ชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะธรรมชนเหล่าใดไม่ประมาตกายขตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะธรรมหกร้อยห้าชนเหล่าใดหลงลืมกายขตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าหลงลืมอมตะธรรมชนเหล่าใดไม่หลงลืมกายขตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่หลงลืมอมตะธรรมหกร้อยหก ชนเหล่าใดไม่ได้เสพกายคตาสติชนเหล่าน Ein, ั้นชื่อว่าไม่ได้เสพอมตะธรรมชนเหล่าใดได้เสพกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าได้เสพอมตะธรรมหกร้อยเจ็ชนเหล่าใดไม่ได้เจริญกายขตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้เจริญอมตะธรรมชนเหล่าใดได้เจริญกายขตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าได้เจริญอมตะธรรม หกรชนเหล่าใดไม่ได้ทำกายฆตาสติให้มากชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้ทำอมตะธรรมให้มากชนเหล่าใดได้ทำกายฆตาสติให้มากชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ทำอมตะธรรมให้มากหกร้อชนเหล่าใดไม่ได้รู้ยิ่งกายขตาสติน enza. ชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้รู้ยิ่งอมตะธรรม ชนเหล่าใดได้รู้ยิ่งกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าได้รู้ยิ่งอมตะธรรมหกร้อยสชนเหล่าใดไม่ได้กําหนดรู้กายขตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้กําหนดรู้อมตะธรรมชนเหล่าใดได้กําหนดรู้กายขตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าได้กําหนดรู้อมตะธรรมหกร้อสอ ชนเหล่าใดไม่ได้ทำกายขตาสติให้แจ้งชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้ทำอมะตะธรรมให้แจ้งชนเหล่าใดได้ทากายคตาสติให้แจ้งชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ทำอมะตะธรรมให้แจ้งเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาค อมตะวัคที่ยี่สิบจบเอกนิบาศจบ